เพราะความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รวงประโุทธิยานกำลังนำเสนอมาถึงข้อที่พระเจ้าทรงแสดงแก่ปัญญาวคีว่าลูกกรพิกษุท์ทั้งหลายปฏิบาาัติธรรมสายกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นนั้นสถาคตใได้สรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดทำยานให้เกิด ก่อนก่อนก็ได้พูดถึงดวงตาของพระพุทธเจ้าว่าพะพุทธเจ้าประกอบด้วยจักษุห้าประการแล้วก็พูดถึงมังสะจักษุคือตาเนื้อธรรมดาพระพุทธเจ้านั้นทรงมีประเนตรงดงามมีอำนาจแล้วก็แจ่มใสทอดพระเนตรได้ไวแล้วก็มองได้ไกล มันเป็นปุกกลิกภาพที่บางครั้งบางคราวเนี่ยผู้เจ้าเสด็จมาพระกำลังประชุมกันอยู่เป็นร้อยๆเนี่ยเสด็จมาทรงทอดพระเนตรมองดูท่านเหล่านั้นเนี่ยเงียบหมดแม้แต่เสียงไอเสียงจามี่ยไม่มีมีพระบารมีมันอบุ่นมันยำเกลงมทึ่งอาศซ จ, จันนั่นก็เป็นผลอนิสงส์ซึ่งเกิดขึ้นจากทาน ของพระองค์ระดับฐานะอุปบารมีดังกล่าวไว้ในวันก่อนตาประการต่อไปนั้นคือทิพยจักษสุคือตาชิบถึงบางครั้งก็อาจจะเรียกว่าญาณ น, นะแลวเรียกว่าญาณก็เรียกว่าจุตูปาตยานทรงมีพยานที่อย่างรู้เห็นสัตว์ทั้งหลายซึ่งมีความแตกต่างกัน แล้วก็มีปัญหาที่ตั้งคําถามถามกันมาเรื่อยนะครเราเคยเกิดมาหรือไม่หรือว่าไม่เคยเกิดถ้าเคยเกิดเกิดเป็นอะไรมีสุขอย่างมีทุกข์อย่างไงนะแล้วก็ตายไปแล้วไปเกิดเป็นอะไรก็ว่ากันไปเรื่อยนะก็สงสัยกันแนวเนี้ยทีนี้ความรู้ย้อนอดีตอย่างเนี้ยหมายความว่าชีวิตเขานี่มันเกิดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยถามว่าสิ่งนี้มาเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไร นะก็จะแสดงให้ได้คือเชื่อได้แม้แต่วิวัฒน์ต่างๆของคนเนี่ยทําไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นถ้ามียานระดับนี้เนี่ยเขาอย่างรู้ได้นะแต่ว่าต้องมือระดับพระพุทธเจานะ้านะจับแน่งได้ละเอียดขนาดนั้นมันก็สามารถบอกได้ทําไมตาเป็นอย่า ง, งนีท้ทาไมทําไมใจเป็นอย่างนั้นทําไมจมูกเป็นอย่างนั้นทําไมต้องสรุปวิวากรรมอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุผลในอดีตอยู่ไม่น้อยนะะ คือบางอย่างเป็นเหตุผลในปัจจุบันบางอย่างก็เป็นเรื่องอดีตรโยนในอนดีตหมดก็ไม่ได้แต่ไปเศษอดีตไม่ได้นะคเพราะว่าแม้แต่การเกิดของเราเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากอดีตกรรมเกิดกรรมในชาติก่อนเนี่ยเป็นตัวนําให้เรามาเกิดทีนี้มันเกิดแล้วบางก็อาจจะมีกรรมในชาติก่อนชาติก่อนๆแต่กรรมในปัจจุบันก็ไม่รู้กรรมข้อไหนก็ว่ากันเป็นกรณีกันนีไป เป็นยกตัวอย่างว่ามิวบาสิกาคนหนึ่งคือท่านเป็นหลายเรื่องในตัวท่านเองเนี่ยแล้วขัดแย้งกันเห็นนางคุชุตราเป็นเด็กผู้หญิงสาวนะฮะเป็นหลังข้อมเป็นคนใช้คงคนอื่นแต่สติปัญญาเฉียบแหลมมากฟังธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าครั้งเดียวเนี่ยจำได้เมือนก็เทพมาเลยโดยสามารถออกมาเทศอะคนอื่นฟัง ได้นเนื้อถ้อยกระทงความเท่ากับที่พระเจา้าทรงแสดงแล้วก็คงฟังแล้วบรรลุมรผลด้วยเนียตัวเองบรรลุมรผลเป็นประโสดาบันพระความธรรมในสำนรรักพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาคําสอนนั้นเนี่ยมาทบทวในให้คนอื่นฟังเขาได้บรรลุมรผลด้วยในยขณะเดียวกันก็ถูกไฟคร อ, อกตายในพระาสา์ของพระเหสีเทนแต่ท่านก็ เกิดเป็นปัญหาเวลาท่านตายเนี่ยคนก็ตั้งคําถามเราพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ส่งแสดงให้เห็นว่าแต่ละอย่างนั้นมันกรรมเป็นตัวจําแนกแบ่งแยกทั้งหมดเลยเป็นเลวเป็นประณีแตกต่างกันออกไปแล้วก็ในภพชาติแตกต่างกันด้วยจในกรณีของการเป็นหลังค่อมนะฮะกับการถูกไฟครอกเป็นชาติเดียวกันสติปัญญาดีด้วยนะฮะอยู่ชาติเดียวกันเอ่อไฟครอก หลังค้อมนะะเพราะว่าล้อเลียนพระประัิเกพุทธเจ้าเอาผ้ามาคลุมแล้วก็ขันน้ํามาอุ้มทำทีเป็นเดินบาตรเดินบินทบาททาหลังค้อมข้อมแบบพระประัิเกพุทธเจ้าองค์หนึ่งท่านหลังค้อมล้อเลียนามาพูดเล่นล้อเล่นกันแล้วก็ท่านไปอาบน้ําแล้วก็ผิงไฟแล้วไฟมันลามไปไหม้พระปฏิเจกพุทธเจ้าซึ่งอยู่ในในิโรธสมบัติที่จริง พระอาหารหันต์าริยะที่ท่านอยู่ในนิโรธสมบัติยังใครทำให้ท่านตายไม่ได้หรอกแต่พวกนี้เข้าใจว่าท่านตายก็ต้องการทำลายหลักฐานก็ขนไม้มาสุมจุดไฟเเขเผาโดยเจตนาจะให้ตายนะะแต่ท่านไม่ตายหรอกถ้าเจตนามั น, มนเจตนาฆ่าแล้วก็แสดงว่าศีลไม่บริสุทธิ์อะ แล้วก็การที่เจ้าเดียวฉลาดเนี่ยเพราะได้ฟังธรรมจากพระประเกิกรพุทธเจา้าแลว้วถวายวันลไรบูชาธรรมพระปฏิกรพุทธจเจ้าเคยถวายให้ท่านรองบาทบาทมันร้อนแต่การเป็นคนใช้ของคนอื่นก็คือเคยใช้ภิกษุณีให้หยิบกระเช้ารถดได้ได้ให้ภิกษุณีรูปนั้นเป็นระหันด้วยนะไปชชยอ布拉ละหันก็เลยั้งบุญทั้งบาปทั้งกรมา มากลายเป็นกรร ม, มัดชรูปคือกรรมที่สร้างรูปของท่านสร้างชีวิตของท่านและแต่ละฝ่ายก็แยกย้าย ก, กันทํางานนะไปตามหน้าที่ของตัวเองกุศลก็ให้ผลเป็นความสุขไปอกุศลก็ให้ผลเป็นความทุกข์ไปก็ตามสมควรแก่กรรมนี่พระเจ้าทรงจำแนกให้เห็นดันนงนั้นตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นมาจากทิพย์จากสุขหรือก็แล้วแต่นะเรียกทิพย์จากสุขก็ได้เรียกว่าจุตัวปารตยานก็ได้ มนยานสามนั้นจะเรียกว่าจุตูาปาตยานแต่ในพัญญาหก่างทีก็เรียกว่าทิพยสุก็มีคุณภาพเหมือนกันเพียงแต่ว่าทิพยสุนั้นจะมองเป็นภาพรวมๆแล้วก็เห็นได้ตามที่ต้องการคล้ๆกับอะไรอ่ะใกล้ๆกับเราเห็นภาพทางโทรทัศน์หมายความว่ามันต้องตั้งใจดูจึงจะเห็นถ้าไม่ตั้งใจดูมก็ไม่เห็น ตรวภาพต่างโทรทัศน์ก็เหมือนการภาพเต็มไปหมดถ้าเราไม่มีเครื่องโทรทัศน์มันก็ไม่เห็นมีเราไม่เปิดก็ไม่เห็นเปิดไม่ตรงช่องมันก็ไม่เห็นประการต่อไปนั้นมีปัญญาจากสุหรือปัญญายิ่งใหญ่ที่ทําให้รู้แจ้งอริยสัจเนี่ยคือจะสรู้อริยสัจ ต, ตามความเป็นจริงเราจะเห็นว่าก็คือประญานนั่นเองแต่ตอนนี้เรียกปัญญาปัญญาจากสุเนี่ย โดยบางทีเราเรียกจะวิชาในคําค ำ, คำที่ทรงแสดงในตอนแรกไม่ใช่คำส่งคาจกขูกัยานแต่ตอนหลังๆนี่จะใช้กับบทวิชาด้วยเพราะคาเหล่านี้เป็นคําบรรดัดเรียกมเรียกชื่อกุศลธรรมเนี่ยปัญญาคําเดียวเนี่ยถ้าเราไปดูในคมภีร์แล้วเนี่ยมีประมาณราวสามสิบคำ น, นะความหมายหมายถึงปัญญาด้วยกันแต่คุณลักษณะจะต่างกัน ปัญญาเหล่านี้มันมันเกิดผุดขึ้นโดยก็คือตัวสมมาญาณ น, นั่นเองเกิดผุดขึ้นแล้วโดยการปฏิบัติสมบูรณ์ในอริมัคคุองแปดประการก็มีปัญญาผุดขึ้นหรือวิชาผุดขึ้นหรือญาณผุดขึ้ น, นก็แล้วแต่จะเรียกความหมายเท่ากันมันจะทำลายตัววิชาแล้วเกิดรู้เห็นอริยสัจ ต, ตามความเป็นจริงผ่านญาณทั้งสาม คือสัจญาณรู้ความจริงตามสถานะของอริยสัตว์แต่ละข้อว่าอะไรเป็นอะไรจะรู้ว่านี้เป็นทุกมีเป็นเหตุเกิดแห่งทุกนี่เป็นความดับทุกนี่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกแล้วญาณก็เกิดผุดขึ้นเรียกว่ากิจจญาณคือภารกิจที่ควรทําต่ออริยสัตว์แต่ละข้อนี่ว่าทํำยังไงก็รู้ว่าทุกทุกควรกําหนดรู้รู้ว่านี่คือสมุทยัยสมุทัยควรละ รู้วนี่นิโรดนิรุ้ดวงควรทําให้แจ้งแล้วรู้ว่านี่มักมักก็ควรเจริญแล้วเ่าเกิดพยานขึ้นมาอีกข้อหนึ่ง ก, ก็ได้กัตตาญาณตัวนี้เป็นตัวปัญญาที่สมบูรณ์คือมันเกิดขึ้นมาว่าทุกที่ควรกําหนดรู้เราได้กําหนดรู้แล้วสมุทัยสมัยไทยควรละเราได้ละแล้วนิโรดนิรุ้ดวงควรทําให้แจ้งเราทําให้แจ้งแล้วมักมักควรเจริญเราได้เจริญแล้วผลตัวการใหญ่ตัวเหตุใหญ่ก็อยู่ที่อะไรมา เรงั้นเวลาพระพุทธเจ้าแสดงก็วลีมากมนงค์แปดประการที่พระองค์ได้สรสรู้เนี่ยคือเป็นเหตุให้พระองค์สัสรูมันก็สร้างจากักขุสร้างยานขึ้นมาทีนี้จักรคูอกประการเด่นเนี่ยก็คือพุทธจักรสุคือตาของตาพระพุทธเจ้าคือพระเจ้านั้นประกอบด้วยพยานเราเรียกว่า อินรียะประโย์ประิยะติยานปริยานที่ยังรู้อินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายว่าใครมีอินทรีย์เป็นยังไงแกอ่ อ, อนยังไงควรจะปรับปรงุงยังไงควรจะเทศยังไงเนี่ยธรรมเทศนาก็ยักย้ายไปมันมีสิ่งที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาสยานุสยญาณคือหมายความว่ารู้พื้นฐานอัธยาศัยของสัตว์ ระบนิสัยของสัตว์เขาทรงสั่งสอนตามกรรมพิธีที่เ ล, เล่าเรื่องรับสั่งกานายเกษีให้ฟังคืออ่อนได้เลยหรือว่าหยาบตามโดยละเอียดหรือละเอียดได้เลยบางคนที่สอนไม่ได้ก็คือไม่สอนตรงทรงจําแนกชัดเจนเพราะงั้นถ้าลรามองการทํางานของพระพุทธเจ้า แล้วก็นํามาใช้กับการทํางานในปัจจุบันนั้นจะมีความแตกต่างกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ที่น่าเสียดายนะว่าวงการปรัชญาศาสนาจริงๆเนี่ย ง, งานหลักของปราาัชญาสมัครพระสงฆ์และชัดเจนมากแล้วเราไปให้ความสำคัญกับงานรองงานที่ชาวบ้านตั้งให้ทํานะเราไปให้ความส า, า, ม า, นะาคาัญ งานที่พระเจ้าตั้งให้ทํานั้นไม่มีใครไม่มีองค์กรรับผิดชอบเลยเป็นเรื่องน่าห่วงระศาสนาเพราะภารกิจของพระเราจริงๆก็คือศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแล้วก็พเผยแผ่พ ร, ระธรรมวินัยแล้วใจใส่ดูแลรักษาศาสนางานเหล่านี้ไม่มีองค์กรจัดตั้งมีแม่กองทำแม่กองบาลีอยู่หน่อยหนึ่งเนี่ยแต่ว่าไม่มีกระบวนการ ไม่มีกระบวนการในการจัดการว่าจบไปแล้วเนี่ยเป็นยังไง ก, ก็ย้ายๆกันทำแล้วงานเผยแพร่เนี่ยถือว่าเป็นงานหัวใจระศ า, าสนาศาสนาเคลื่อนไหวได้เนี่ยเผยแผ่ไปได้เพราะการเผยแผ่กับการปฏิบัติตัวของพระภิกษุตัวเนี้ยไม่มีองค์กรเลยไม่มีไม่มีใครรับผิดชอบก็ทําให้เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยว่า มาเด็กยุครุ่นใหม่กระถามไนี่มีพระไว้ทําอะไรเนี่ยได้ประโยชน์อะไรเนี่ยคือถ้าเราไม่ขยับบทบาทข้าสัมผัสสังคมให้สังคมเห็นคุณค่าของการมีสถาบันสูงเนี่ยและในสุดอยุต่อไปเนี่ยเด็กรุ่นใหม่นะคือไม่ใช่รุ่นรุ่นนี้หรอกเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็จะไม่รับนะแล้วถ้าเราลองสังเกตคิสมาสปีนี้เห็นไหมาคนไทยเนี่ยเข้าไปร่วมกิจกรรมเยอะเลย ออกโทรทัศน์ตั้งแต่นู้นแต่คืนมาที่ยีิบสองยี่บสามไปเร่งแ ล, แ, ล แ, ลแล้วก็ติดแต่ต้นคริสมาสอะไรอะไร ต, ต่างๆนี่มาตั้งนานแล้วต้นเดือนธันวานี่มาแล้วนะมือรีดคริสต์มาสแฮปปี้นิวเยียนี่มาแล้วแต่คนก็ร่วมกิจกรรมเยอะเลยแล้วก็แสดงให้เห็นถึงว่าพอถึงยุคสมัยหนึ่งเนี่ยเราต้องให้คำตอบตรงนี้ได้ให้คำตอบให้ได้ พระเจ้าส่งตรวจสอบดูอัธยาศัยอินสียะประโยชน์ปริยัติยานคือประยานที่กําหนดรู้ความแก่ความอ่อนของอินทรีย์คือศรัทธาเป็นยังไงความเพียรเป็นยังไงสติเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงหรือถ้าเรามองเวลานี้แล้วก็สังเกตได้นะเวลาเราไปบรรยายอบรมแล้วก็มีคําถามเนี่ยคือเปิดโอกาสให้ถามทั้งเขียนทั้งถามสดอนะ มันแสดงความข้องใจสงสัยที่เกี่ยวกับองค์กรสงฆ์นี่เยอะแล้วถ้าหากว่าเป็นนักวิชาการเร็นว่าผู้ครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นพระระดับที่เป็นธรรมทูตเป็นอะไรเนี่ยจะถามเจาะลึกในองค์กรสงฆ์ม า, ากอาตมามีปัญหาเรืน่นี้เก็บไปเยอะเลยบางทีก็เก็บเก็บไปมากพว ก, กินคือทํา ทำให้เราเห็นว่าบทบาทพระพุทธศาสนาต้องย้อนกลับมาแล้วก็ลอกเรียนวิธีตรงนี้นะเราเรียนวิธีพุทธจักสุของพระพุทธเจ้าเนะี่ยคือศึกษาอัจฉริยาสัยอุปนิสัยของคนยุคสมัยเนี่ยยุคสมัยปัจจุบันว่าสมมติว่าพระจะมีบินบางสังสวดอย่างเดียว วันก่อนนี่เคยได้ยินอะไรดอตอร์อะรกระมลธรรมชาติอะไรนะเขาพูดประเว็เนี้ยมีแต่พระพระที่บวชมานี่มีแต่พระสวดแล้วก็พระเสกและพระสร้างไม่มีพระสอนอันนั้นก็พูดมากไปหน่อยคือแสดงไม่เคยคว่างประเทศนะพระสอนก็มีเยอะนะแต่ว่าไม่มีองค์กรเป็นรูปีรชนเอกชน ต่างคนต่างทำไม่ได้ประสานเนื้อหามาประสานแผนไม่สนับสนุนกันต่างคนต่างก็อาศัยบา ร, รมีตัวเองก็ทํากันไปเป็นงานที่ไม่มีระบบแล้วก็สิ้นเปลืองบุคลากร น, นะครับที่จริงทํา ง, งานอย่างนี้ก็สิ้นเปลืองบุคลากรเนื้อหาสาระเนี่ยบางทีมันตีกันเองทางอากาศสมมุติว่าให้พระนิมนต์พระสักหารูปเนี่ยมาพูดเรื่องเรื่องนิพพานเรื่องสังสารวัฏเรื่องกฎของกรรมเนี่ย ตามพระยานตามปัญญาจักสุของพระพุทธเจ้าเนี่ยตามที่ปจปัญญาจักสุแล้วก็พุทธจักสุของมุทธเจ้าเนี่ยเราเจะเห็นว่าบางทีเนี่ยเหมือนกับคนศาสนาเลยก็สนุกกันดีนี่คือเรื่องที่น่าที่น่าคิดว่าเรามาดูตรงนี้เราสวดสรรเสริญพระพุทธคุณสมัยเราเป็นเด็กๆ มีข้อความที่ว่าพร้อมเบนจะพิธาจักสุจรัดพิมลสายเห็นเหตที่ใกล้ไกลก็เจนจบประจักษ์อย่างเนี้ยพร้อมเบนจะพิธาจักก็คือจักสุมีอย่างมีห้าอย่างแล้วก็ชัดเจนแจ่มแจ้ ง, จงทั้งหมดเลยทุกข้อเนี้ยทุกทุกตาเนี่ยความมาตาทุกข้อเนี่ยที่จริงก็คือตาไหนก็ตาปัญญานั่นแหละแต่ว่ามันมีการเน้นยำ้ำในคนละจุดกัน พุทธิจักษุนั้นเราจะเห็นว่ามันร่วมจักสุของสามัญมนุษย์เพรา ะ, ะตอนเช้ามืดเนี่ยพระเจ้าจะตวดดูสัตว์โลกตัวดูชั้นแรกก็ตรวจดูเป็นทิพระจกักษุคือตวจวดูแบบทิพนะะแล้วพอใครปรากฏในข่ายพยานประจกักษุทิพนะี่มันก็เปลี่ยนเป็นพุทธิจักษุไปศึกษาอินทรีความแก่อ่อนของอินทรี ศึกษาข้อมูลภูมิหลังของบุคคลโดดนั้นวัฒนธรรมบารมีต่างๆในอดีตของบุคคลโดดนั้นแล้วก็ในที่สุดก็เสด็จไปโปรดบรการโปรดนี่ไปโปรดไปตามอินทรีย์ตามอัธยาศาัยนิสัยของคนเนี่ยจักยายเปลี่ยนแปลงไปเร้เอยๆทำให้เราเห็นว่าธรรมเทศนาวิธีการแสดงเนี่ยไม่เหมือนกัน โรกาโดยสรุปว่ามันมีอยู่สองแนวแนวหนึ่งเ็าเรียกว่านิกหยมุขเทศนาเป็นการกำลาบเสียก่อนอย่ปัญญวคีเนี่ฮะต้องกำลาบเสียก่อนกำลาบเบาๆนะฮะยังยังไม่ยังไม่เข้มเข้มงวดจริงๆเพราะท่านค่อนข้างพร้อมมากมันก็เหมือนกับเราเอาไม้ไม้ตัวไม้ที่ยังไม่ใส่กรอบมาทำเฟอร์นิเจอร์มันผ่านขั้นตอนพอสมควร แต่ว่าประเด็นตรงนี้บางทีมันมาซุ่มม ไ, ได้นะเอาซุงมาทำาฟอรนเจอร์ในขั้นตอนเลยเยอะหน่อยันการสอนคนบางครั้งบางคราวก็ต้องใช้เวลาฝึกปรืปรปรปรออบรมบ่มเพาะอัจฉิยาสายนิสยัยอินทรีย์ของคนเหล่านั้นไปก่อนไปคาดหวังเร่งๆไม่ได้หรอกเรารอกันไปก่อนแม้แต่ยุคสมัยพระพุทธเจ้านะไม่มีพระสม็จรูปหรอก คนละเถือผ่านการฝึกปรื้ออบรมกันมาทั้งนั้นแหละแล้วก็จักสุอีกข้อนหนึ่งเนี่ยคือสมันตะจักสุได้แก่พระตัวสัพพัญยุตยานแก่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ธรรมทุกประการกุศลนะกุศลนะักยากรและต่างๆแล้วก็แม้แต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยนะมันเคยมีคนมาทดลองทดสอบพระพุทธเจ้า เรื่องอื่นพระเจ้ารู้หรือเปล่าถนนต้นทางบ้านใครอยู่ที่ไหนใครชื่อยังไงเนี่ยรู้หรือเปล่าปรากฏว่ารู้ทั้งหมดตอนบทที่ตื่นเต้นตอนยะสะกุลบุตรไปพบพระองค์เนี่ยอย่าลืมพระเจ้าเสด็จเป็นใหม่ๆแล้วก็ไม่รู้จักใครนะพารานียังไม่เคยเข้าไปยสะเดินบ่นไปเนี่ย รับสั่งเรียกว่ายาศะมาทางนี้ทีนี้ไม่วุ่นวายทีนี้ไม่ขัดข้องยิ่งท่านนาธบินิการเศรษฐีและยิ่งแล้วใหญ่เลยนาทะบินิการเศรษฐีชื่อจริงๆของท่านเนี่ยไม่มีใครรู้จักเาพบพ ร, ระพุทธเจ้าที่กรุงราชครื่ที่ศีตะวันตอนเรียกว่ากลางคืนเลยนะกลางคืนก็ขนาดที่สามที่สี่ตอ น, นกลางคืในใกล้รุ่ง ท่นทนรอพระพุทธเจ้าไม่ไหวเลยบุกมากลางคืนเลยพระเจ้าเสด็จไปรออยู่รับสังเรียกสุทธธัตตาตถาคตอยู่ที่นี่เรียกสุทธธัตตาฤทีิ์ชื่อเดิมนะฮะนี่คือแสดงว่ารู้หมดแล้วก็คนนี้ก็ามาทดลองเนี่ยเป็นนักบวชนอกศาสนาคือโยมุปาถากองแกนะ่ะต้องการจะมองเฝ้าพระพุทธเจ้าแกขัดขวางไว้ เลยก็ตัดสินใจส่งลูกชายให้มาทูล น, นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านลูกชายก็มาไอ้นัมนต์เพราศาสนารู้สึกว่าเป็นปริภัยชคนะเนีก็มาขัดขวางไว้ลูกชายบอกอ่าไม่ได้เราแม่ดูเอาบอกอย่างนี้ก็แล้วกันเวลาคุณนิมนต์เสร็จแล้วคุณก็ไปซะอีกทางหนึ่งอย่าบอกว่าบ้านอยู่ตรงไหนประมาณสมณะโคดมมาไม่ถูกหรอกนะเสร็จแล้วลูกชายก็ทําอย่างนั้นปรากฏว่าตอนเช้ามืดพระพุทธเจ้าก็เสด็จไป โดยไม่ได้รับสั่งถามมาบ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่ต้องถามคือหมายความว่ารู้ทุกอย่างําความเป็นจริงแต่ไม่สอนทุกอย่างหรอกตัวอย่างที่เราคุ้นคุ้นสำนวนที่รับสั่งหยิบใบไม้ที่มันหล่นร่วงในป่าปูลายในป่าหมาวันนะั่นนะก็รับสั่งถามภิกษุว่าใบใบไม้ในมือของพระองค์กับใบไม้ในป่าปูลายนั้นอะไรจะมากกว่ากัน พิสูทั้งหลายก็กลับคุ้มว่าใบไม้ในปา่าดูหลายมากกว่าใบไม้ในกรบมหารของพระองค์ก็น้อยนิดรับสั่งว่าก็เป็นเช่นเดียวกันคือสิ่งที่พระองค์รู้นี่มันมากเหมือนกับใบไม้ในปา่าแต่ว่าที่สอนนี่เหมือนใบไม้ในกำมือพม่ได้จะสอนอยู่ในแม่วงของอธิยศาสตร์นี่แหละแล้วก็เป็นปนัญหาใกล้ตัวเว้นไว้แต่ว่ามีใครมาถามมาถามเรื่องบางเรื่องอย่างเงี้ยเช่นว่าชีวิตในตัววัตถุมันมาจากไหน ตัวจิตท่านไม่สงสัยหรอกือว่าแต่ว่าตัวร่างกายมาจากไหนล่ะดินน้ําลงไฟอากาศมันมาจากไหนพระเจ้าก็สดแสดงให้เห็นเป็นกระบวนชวการกาเนิดเลยนะฮะแล้วก็ไปโจงกับวิชาแพทย์ใน ป, จปัจจุบันมาเคยเปิดเอกสารตอนนี้มาอ่านดูเลยเพราะว่ามีมีคนก็มาถามเราก็มาเทียบเอกสารดูว่าลองดูซิว่าเนี่ยวิทยาศาสตร์เขา คนมาด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยถามปั๊บตอบปุ๊บเลยแต่ว่าตอบได้นะเพราะว่าคนถามเป็นอินทกาหยังคือเป็นเทพประผุด ท, ทั้งก็รู้ไม่ต้องอธิบายอะไรชี้แจงมากวันนี้พูดเรื่องระบบจักรวาสลสากลระพีพบอะไรอะไรก็พูดนะรับสั่งแต่รับสั่งเฉพาะกับคนที่รู้ผููจาแล้วเกิดความเข้าใจ มันค่อนข้างจะไกลตัวนะครค่อนข้างจะไกลตัวทําแล้วถ้าหากว่าคนพื้นมีพื้นฐานไม่เชื่อหรือไม่มีภูมิปัญญาจะรู้เนี่ยมันอาจจะเกิดหาวพระเจ้าโกหกก็ได้เราเป็นบาปแก่คนเหล่านั้นพระเจ้าในฐานะผู้อนุอนเคราะห์โลกเนี่ยคือไม่มีผลสะท้อนกลับมาในทางลบแก่คนว่าจะแสดงสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คนทีนี้ถ้าเขาคิดเอาอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้นะฮะเป็นกรรมของเขาต้องฟังทั้งหลาย แต่หรงปรโปทยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเทรานี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอนงามไปบูรในธรรมจุมมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี